ว่ามีนักปฏิบัติท่านหนึ่งถามเราปฏิบัติเราไม่เอาสุขเราจะปฏิบัติไปทําไมนีม่เป็นคําถามที่น่าคิดมากที่ปฏิบัติก็เพื่อความสุขแต่ลืมไปว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธความสุขแต่ท่านต้องการให้เป็นบรมมาสุขไม่ใช่กามมาสุขแต่สุขที่เราต้องการแสดงเป็นการมาสุขไม่ใช่บรมมาสุขการมาสุขคือความอริยอร่อยที่เกิดจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าการมาคุณ อันนี้เรืกรรมมาสุขถ้าเราปรารถนาเพียงแค่นั้นเราก็ไม่ต้องปฏิบัติให้ลำบากเพราะว่ามันมีสแสวงหาได้ง่ายอาศัยวัตถุกระตุนที่เราชาวโลกเขาทำกันอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็าาสุขละแต่เป็นกรรมมาสุขมันเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้มันเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงเพราะสุขตัวนี้แหละที่ทาให้เราเพลินเวียนว่ายใจเกิดไม่จบ พกามมิสุขหรืออมิสุขแต่พระพุทธองค์ที่ท่านค้นพบท่านค้นพบว่าให้เป็นบรมสุขไม่ใช่กามมิสุขท่านก็ถามว่าบรมมิสุขเป็นอย่างไรคือบรมมิสุขคือมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์คือสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าบรมมิสุขสุขที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์อีกเนี่ยแหละคือท่านต้องการให้ให้หายสุขชนิดนั้น สุขที่มาอยู่ภายใต้อํานาจของการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้ของการแปรปลวนนั่งง่วงจะเป็นสุขไหมแล้วมันทําให้เกิดอะไรให้เกิดโมหะโมหะก็ทําให้ปัญญาเศรมองปัญญาสศมองก็ทําให้ทุกข์พราะรู้ไม่เท่าทันเกิดความวิชางูก็ขึ้นมาทั้งทั้งที่เป็นคนฉลาดมากๆแต่พอแก้ไขตัวนี้ไม่ได้คนฉลาดกลายเลยเป็นคนโง่งไปเลยอเพราะฉะนั้นตัวนี้ ท่านว่าให้ไปบรมสุขสุขที่เราจัดการได้ตามต้องการแต่สุขที่เราจัดการมันไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์ถ้าเราได้มันมาก็เรียกว่าบุญถ้าเราเสียมันไปก็เรียกว่าบาปสุขได้อย่างใจก็เรียกเป็นบุญพอสุขนั้นเปลี่ยนไปก็เป็นบาปนีถ้าสุขได้อย่างใจมันก็เป็นสวรรค์พอมันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนเป็นนรกเราไม่ต้องการสุขแบบนั้นเพราะมันไม่คุ้มค่ากับความเป็นมนุษย์ แต่สุขที่เราต้องการคือสุขที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามอานาจของใจรักเป็นสวรรค์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นนรกแต่สวรรค์ที่เปลี่ยนเป็นนิพพานเราต้องการสวรรค์แบบนั้นท่านไม่ใช่ไม่ให้ปรารถนาสวรรค์นะแต่ให้ปรารถนาสวรรค์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นนิพพานได้ไม่ใช่ปรารถนาสวรรค์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นนรกนั่นคือถ้าสุขที่เราจัดการได้ตามต้องการเราจะสุขเมื่อไหร่ก็ได้แต่สุขที่เราจัดการมันไม่ได้มันจะ เราจัดการไม่ได้มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเป็นอบายภูมิเป็นเป็นนรกได้ในงั้นคนมันจะทุกขนะ์ถ้ามันจัดการสุขได้จริงเพราะมันจัดการสุขไม่ได้สุขที่เกิดจากอายตนะทั้งหอ่ะจัดการไม่ได้เช่นทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยจะให้มันอร่อยมันตอนหิวเนี่ยมันอร่อยไม่ได้แล้ะอาหารจะดียขนาดไหนมันก็อร่อยไปไม่ได้แล้วเพราะมันอิ่มแล้วเนี่ยเพราะมันมีความสุขที่เป็นการมาสุขมันมีขีดจำกัดดูหนังเรื่องเดียวสักสิบครั้งต่อเนื่องกันไปเนี่ย ไปเป็นเหมือนอยู่ในนรกดีๆนะเด่ะหลังจากมันเบื่อแล้วไม่ได้เสพกรรมมันหมดสุขแล้วเด้ะมันกระตรงนรกแล้วเพราะฉะนั้นสุขที่เป็นกามม่สุขเนี่ยมันมีอายุจํากัดมันหมดพระองค์ไม่สรรเสริญว่าเป็นสุขที่เราควรจะเอาแต่เอาสุขที่มันไม่จํากัดไม่หมดเป็นไม่มีอายุคือสุขที่เป็นบรมม่สุขสุขได้ตลอดไปนิพพานัง บระมังสุขงังนิพานเท่านั้นที่มันเป็นสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเราจัดการให้สุขเมื่อไหร่ก็ได้ไงมันไม่จํากัดมันไม่อิ่มเป็นเราอร่อยมีความสุขในการบริโภคอาหารเพออิ่มแล้วมันก็หมดมันจํากัดฟังเพลงฟังไปสักพักหนึ่งพอเพลงเพลงเดียวฟังสักร้อยรอบก็ฟังไปไม่ได้แล้วมันหมดหมดรสชาตินี่เรียกว่าเราไม่ต้องการสุขแบบนั้น สุขอันเกิดจากการที่ไม่มีการปรุงแต่งโดยเงื่อนไขของรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละเป็นสุขเรียกว่าบร ม, มสุขแต่สุขใดที่ยังปรุงแต่งได้เงื่อนไขของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นการ ม, มาสุขอันนี้คือาการตอบคำถาม